สมมติเราตั้งใจจะไปรับเพื่อนที่อยู่ลโพงหรือที่สถานีพุนพินในรถขบวนหนึ่งตาเรามองหาเพื่อนคนนั้นในตู้ในขบวนรถที่กำลังเข้าจอดเรามีมโนภาพล่วงหน้าต่อเพื่อนคนนั้นที่ในขณะนั้นอีกเพื่อ น, นคนหนึ่งมาด้วยเราไม่เห็นครับตั้งแที่ตามันเห็นเพราะวิญญาณไม่เกิดหรือเรากำลังเงี่ยวหูฟังอันหนึ่งเสียงเสียงหนึ่งเราไม่ได้ยินครับ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 ตามไม่เห็นอะไรครับตามบอดตลอดเวลาหูน่หนวกตลอดเวลาสิ่งที่ทำหน้าที่รู้ทำหน้าที่เห็นนั่นคือวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูแล้วที่คิดที่รู้คิดนี่เป็นวิญญาณทางใจวิญญาณก็แปลว่าวรู้แจ้งเหมือนกันนะครับรู้วิเศษยานะแต่ว่ารู้แต่นั้นแม้กรณีทางตานี่ก็แจ้งครับ ันนี้ย้อนกลับไปสู่เรื่องความสุขนะครับความสงบสุขใดเสมอเหมือนความสงบเป็นไม่มีสงบตัวนี้ท่านใช้คำว่าสาันติหรือสันตินะครับนัติสันติป ร, รังสุขขังเคยได้ยินใช่ไหมครับผมเชื่อฟาสิตนีมน้มันคุ้นหูชาวพุดมาก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 มันยังเปลี่ยนแปลงอยู่อีกดังนั้นมันมันจะเรียกว่าสุขไม่ได้จะเรียกบรมสุขหรือยอดสุขไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอีกเขาจายไหมครับสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมสออเขาว่าเป็นทุกข์เขายกบ้านให้หลังหนึ่งแต่ก็บอกว่าผมจะเอาคืนเมื่อไหร่นะี่คุณต้องออกทันทีนะคุณจะเป็นสุขได้ไหมครับบอกบ้านหลังนี้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 แม้ตอนนั้นมันไม่เป็นนะแต่ว่ามันส่อเขาว่าจะเป็นทุกข์แน่จริงไหมฮะงงหน้แน่เลยครับแต่ว่าฟังๆมาเลยครับว่าสิ่งไหนที่ยังอยู่ในอำนาจของการเปลี่ยนแปลงยังไม่ถึงจุดเสถียร น, นะครับยังไม่ถึงจุดที่ตายตัวเนี่ยยังเป็นทุกข์อยู่ ดันั้นความสงบที่เราสร้างขึ้นทาขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอเค้าของความทุกข์จริงไหมครับเราเห็นใครสักคนหนึ่งเสรแสร้างเป็นคนมีความสุขถ้าผู้รู้ก็บอกไอ้นี่มันเป็นทุกข์ก็ใช่ไหมงั้นภาษิตบางภาษิตนี่ฟังดูแล้วเข้าใจยากครับแต่แต่ก็ไม่ยากเกินเช่นพระเจ้าตรั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 เวลาเขาร้องเพลงผมดูหน้าก็บิดเบี้ยวมากๆเลยเาแต่เขาร้องเพลงเรื่องความสุขเช่นตะโกว่าฉันมีความสุขแต่ตาเนี่ยคิ้วตาแทบจะถลนลงมาเลยรู้สึ ก, กเป็นเรื่องจริงนะครับคือเ ป, เป็นความทุกข์แท้เลยจะร้องเพลงดิ้นเล่าแต่ว่าคนรู้สึ ก, กเป็นสุข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 วงเวียนอันนี้เข้าใจไหมครับ mm. ไปหาความสุขคนก็ชอบฟูกันะฮะพอตกเย็นๆนะไปไปหาความสุขกันพอตกดึกกลับมาในหัวแบะมีเลือดอาบแล้วแล้ว mm. <laughs> เนหน็ดเหนื่อยนับเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีที่ผมไม่ได้ดูภาพยนตร์ในโรงใหญ่วันหนึ่งผมมีเขาพาไปดูครับ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 เราก็แผนกล้องเลยพรรู้สึกลงทั้งลงเนี่หมุนได้รู้สึกวิงเวียนแทบจะอาเจียนให้ได้ชาวบ้านนอกทุกคนให้ดูภาพยนตรน์นะครับก็จะอ้วกแตกกันจรแต่คนในเมืองคุ้นมากๆเปรียบเมืองคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเพราได้กลิ่นแทบจะอาเจียนแต่ว่าถ้านักเลงเหล้าเข ไ, <c oughs> ได้กลิ่นเนี่สดชื่นครับสดชื่นมากๆเลยได้กินเหล้าต่อ ผมให้ข้อสังเกตวความสุขที่ชาว บ, บ้านรู้สึกนะที่จริงเป็นทุกข์นะครับเป็นความร้อนชนิดหนึ่งเป็นความเลอะเลือนชนิดหนึ่งสังเกตดูนะครับเมื่อความสุขชนิดนั้นเยี่ยมกลายเข้ามานะสติเราจะฟั่นเฟือนทันทีเข้าใจไหมครับพผู้หญิงผู้ชายเข้าใกล้นี้เริ่มฟั่นเฟือนทันทีครับเริ่มกระลิ้มกะเลี้ยเริ่ม เริมลืมตัวนะครับลืมสติตัวดัดดัดนี่ยมันไม่ดาดแล้วเนี่มันมันชักจะผ ง, งาดขึ้นมาเลยมันอยากจะทําน้นมีอาหางการนะครับอยากกระทําน้นทํานี้ขึ้นมาดุเดือดขึ้นมาแล้วแต่เราก็เรียกความสุขแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยทุกตลอดเวลาสุขเช่นนั้นนี่อย่าไปต้องการมากครับอย่าไปปรารถนาครับอย่าไปตั้งเข็มว่าต้องคว้ามาให้ได้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 แต่แม้กร น, นั้นก็ยึดถือไม่ได้คือให้มันเกิดเองแต่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลมศุขนะครับมันเป็นเพียงผลพวงเล็กๆน้อยๆผู้ภาษาฝลังที่หลายคนพูดก็เรียกเป็น by product คือเป็นผลพลอยได้ครับอย่าไปสนใจมา ก, มากนะเมื่อเราปฏิบัติทำได้ดีนี่ตื่นเช้ารู้สึกจังใสออกมากดื้อๆเนี่ย อย่าไปสนใจมันดีแล้วที่มันปรากฏมาถ้าสนใจมันมากมันจะเกิดเป็นปิติครับแล้วเกิดสําคัญตนวุ่นวายเอ๊ะสงสัยเราจะเป็นพระอะหรหันต์หรือมัง้งหรือสงสัยว่าเราจะวิเศษหรือมั้งจะเหาะได้มังม้งมันก็พาลงคูไปใหญ่เลยทีนี้ความสุขนี่นเป็นสิ่งสามัญนะนะครับไม่ใช่สิ่งวิเศษอะไร ที่ว่าสุขเหนือสันติเป็นไม่มีคนลสุขนะสุขที่เหนือสันติไม่มีนั่นนะครับหมายถึงความรู้สึกที่สิ้นดิ้นรนค้นหาจับได้ที่เรายังค้นหาอยู่เรายังไม่สุขแท้ เราค้นหาอะไรครับแต่ถามก็ในใจเรานะในใจเราทุกคนมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิน้นบางตอนก็ดูเศ้าๆลงเพเดี๋ยวก็ดิ้นอีกยินรน อ, น, นอยากได้นู้นอยากได้นี้ทั้งนี้มันอยู่ในสายเลือดในระบบวงจรของโลหิตและกระบวนการโภชนาหานนะครับมาตอนที่ผมอยู่ในเท็กฤันั้นมี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 แล้วขยายเสียงเลยนะครับผมนั่งดูตัวชาวเลยครับโอยรู้สึกว่ามันไอตัวเรานันไม่ใช่ตัวเราเลยมันเม็ดเลือดชนกันเหมือนขบวนรถไฟชนกันนตูมท้าวตูมท้าวในนี้มันมันดิ้นตลอดเวลาเข้าใจไหมครับโดยข้างนอกเราดูเรามีผิวหนังฉาบลายดูดูหน้าตางดงามหรือเรียบร้อยดีแต่โดยภายในนี่มันจ้าละหวันหมด ดิ้นรนซาฟลังหรือส r ตรวิงดังนั้นสังเกต ด, ดูบางวันเราจิตใจเราร้อนมากๆใช่ไหยครับดิ้นแทบจะคุมมันไม่อยู่เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกันแน่ครับนั่นคือรากฐานว่ามันเป็นทุกข์ขอ้อทท่จริงเนอะมันดิ้นบางคืนนอนไว้านนอนขากระตุกกระสับกระสายกระสับกระสายกระสับกระสายยิ่งหนุ่มสาวแล้วยิ่งแรงนะครับ พออายุสักสิบหกแตกเนื้อสาวแล้วอาละดิ้นไปดิ้นมานั้นร้องไห้ดื้อแรงผลักดันของธรรมชาติในภายในนะครับคติบราณของคนโบราณคือพอลูกสาวอายุสิหก 6, คุณพ่อสังเกตเห็นลูกแอบเข้าห้องนั่งร้องไห้กระิกริบ ก, ก็ต้องหาผัวให้มันแล้วมันนั้นยุ่งโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นเาต้องรู้ว่าโดยรากฐานของโทรชาติของชีวิตนะครับมันดิ้นตลอดเวลาถ้าเราอยู่ในวงจรของมันนะัมันก็จะพัดพาเราไปเหมือนเราตกไปสู่กระแสของการดิ้นรนนั้นนะคเรืเอธรรมดาเรือนั้นต้องอาศัยน้ำจึงแล่นไปได้ แต่ว่าในนองในกัรเนี่ยน้ําอาจจะฝังเรือลงในท้องน้ําก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าไม่มีน้ําเหลือก็ไม่มแล่นไม่ได้แต่ว่าน้ําสามารถที่จะฝังเรือลงไปในท้องทะเลได้เหมือนกันถ้าไม่มีอาการดินน้นรนมนุษย์ก็จะไม่พัฒนาตัวเอง แต่ถ้าดิ้นเข้าไปในกระแสของมันมันฝังเราน่าหน้าเลยจริงไ้ยครับกิเลตนั้นเปรียบด้วยกระแสคลื่นครับกระแสน้าสติเนี่ยเปรียบด้วยเรือถ้าสติเราดีเบาแล้วก็ชัดมันก็ลอยพ้นกระแสะของกิเลสมันก็อาศัยกิเลสนั่นเองครับที่ทําให้สติปัญญาเนี่ยรุ่งเรืองขึ้นคนมีกิเลสมากจะมีสติปัญญามาก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 ว่ารู้ตัวชัดขึ้นมาว่ากิเลสเข้ามาเราต่อสู้เรารู้ตัวกิเลสยิ่งแรงสติปัญญายิ่งสูงกิเลสยิ่งอยู่ลึกซ่อนอยู่ลึกปัญญาก็ลึกถ้าเรารู้ทันนะคล้ายงูมันขุดอยู่ในรูลึกไอ้นักเลงจับงูงมันต้องขุดลึกแล้วพอมันเห็นร่องรอยรูที่ตั้งชาติหนึ่งนี่รูนี้ต้องลึกงูต้องเป็นงูชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าคนที่รู้จักงู ดังนั้นใครก็ตามนะครับมีกิเลสมากหรือน้อยไม่สําคัญอะไระครับเพราะถ้ากิเลสน้อยเปรียบเหมือนงูที่อยู่หลุมตื้นๆก็ขุดตื้นๆใช้ปัญญาทีเดียวก็กละได้แต่ถ้ากิเลสลึกๆปัญญาเขาต้องลึกตามสติก็ต้องทันสมาธิก็ต้องลึกซึ้งขึ้นมาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับในความแตกตา่าง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 เข ค, คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งยักก่วกรีดน้อยปัญหามันก็น้อยลงแต่ก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหา ค, คนคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องต่อสู้มากเหลือเกินครับคําว่าสันตินั่นหมายถึงว่าเปรียบกับการเสร็จสึกเส้นต่อสู้กันถึงกันแล้วเกิดสงบ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 ลองทบทวนดูสิครับทวนคล้ายๆเราปฏิบัตนะิแต่ว่าทวนข้อข้อคิดตั้งแต่ต้นนะนึกเราควรทำอะไรนะครับ <ทำ S 1> ความดีทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าและทำทันทีในปัจจุบันนั้น และต่อมาอนุเราจะค้นพบมโนกติซึ่งเคลื่อนไหว้ในตัวอย่างทองแท้ภายใต้การกระทำทางรูปธรรมด้วยการทำงานงานชนิดหนึ่งข้างนอกเป็นอาชีพเลี้ออยงชีวิตงานอีกชนิดหนึ่งคือกรรมฐานเป้าหมายชีวิตก็คือความสุขอนุเราควรจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุข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 ไม่ใช่เวทนาขันแต่เป็นการสิ้นสุดการดิ้นรนจำได้ไหมครับจำได้ก็ได้ไม่จำก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าไม่สำคัญอะไรผู้ได้ฟังนะครับแต่ว่าจุดสำคัญคือความรู้สึกตัวนี้ที่จะต้องแนบแน่นเขาทุกวันทุกวันเปรียบเหมือนผมจะอธิบายรูปพันธสันญานของห้องหับ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 ก็จะง่ายเข้าใช่ไหมครับเชนบอกเชิญอาจารย์บอกว่ากุญแจนันอยู่ในกุฏิในห้องนั้นที่มุมนั้นใกล้ๆกับวิทยุอย่างนี้เราง่ายขึ้นแล้วครับแต่ก็บอกว่ากุญแจนันอยู่ในวัดนี้โอ้โหถูกแต่ว่าหากันตาเหลือกเข้าใจไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามแนะนําอะไรเนี่ที่จริงไม่สําคัญอะไรเลยครับ ไม่ได้สำคัญของคําพูดผมชอบคําอธิบายของพุทธศาสนานิกายเซนที่ว่าคำพูดนั้นการอธิบายธรรมะในคําพูดนั้นเหมือนเราสํารวจรายชื่ออาหารสํารวจทั้งวันก็มาติกินครับจริงมันเป็นรายชื่อข้าวเหนียวน้ําทุเรียนแตงโมอ่อาแกงไก่แกงปลาดุก ยิ่งพูดยิ่งหิวหนักขึ้นยิ่งพูดทำไม่ขึยิ่งหิวหนักขึ้ น, าา น, น, นคือยิ่งไม่รู้ครับแต่ว่าตอนที่เรากําลังเปิดมันเข้าปากตรงนี้เราจะรู้รสชาติหวานมันเผ็ดร้อนมันละ่ะดังนั้นผมคิดว่าพวกเราปฏิบัติ ด, ดีนะดีเรียกว่าดีมากๆากความฉลาดเป็นเพียงของขวัญแล้วก็น้อยครับถ้าความฉลาดไม่ไม่สําคัญอะไร ความจริงใจสำคัญกว่าต่ผมจะเลือกเพื่อนเดินทางคนหนึ่งทางอันยาวนานครับคนหนึ่งฉลาดแต่โกงสะบัดเลยนคนหนึ่งซื่อแต่งโง่ผมเลือกคนหลังหรือคุณจะเลือกคนไหนดีครับเลือกคนเพื่อนที่ฉลาดแต่โกงมันพาไปหลังดีไ้มดีเลยครับคุณก็ต้องนอนระวังทุกคืนนะคัเขาฉลาดมาก ในการปิบัติธ ร, รมนี่เหมือนการเดินทางครับถ้ามีใครบอกจุดสําคัญเอาไว้อ น, นี่ผมอ้างถึงสูตรได้พรามกนหนึ่งนก็ถามพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่พระธรรมก็ตั้งอยู่พระนิพพานก็มีอยู่แล้วขอถามว่าสาวกของพระองค์เข้าถึงพระนิพพานทุกคนไหมพระเจ้าบอกไม่ไม่ไ ม, ไม่ทุกคน เขาก็ไม่เข้าใจทำไมอย่างนั้นท่านบอกว่าผู้เช่าตรัสว่าท่านจะทำไงได้ภาษิตว่าอัคาตาโรตถ า, าตาตุมเมหิกิ จ, จังอัตปังเราจะทำไงได้ตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางส่วนการเดินเป็นเรื่องของเธอท่านเองนั้นท่านอธิบายว่าท่านชี้ทางว่าจากจุดนี้เข้าไปตรงนั้นพบ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 เขาใจัยมครั บ, บางนั้นก็ต้องยินดีที่จะเดินทางอย่างโดดเดี่ยวแต่นั้นเป็นเพียงช่วงหนึ่งการเดินทางเท่านั้นการปิบัติรรมนนเหมือการเดินทางไกลครับจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการลองฟังนิทานเรื่องนี้ดูครับเผื่อว่าจะ แต่รับทราบล่วงหนา้าการปฏบัติธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่งานมันเกิดที่จะได้กินเค้กฟรีๆหรืออะไรมน้อง น, นั้นนะครับผมไม่ได้พูดให้ท้อใจนะแต่พูดให้ให้มีกําลังใจขึ้นเพื่อเพื่อจะได้เห็นว่าอุปสรรคอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นเองเรื่องนี้ก็คำมาว่าผมผมไม่ได้รู้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้อ่านจากตําราฝ่ายไหน ฝรั่งคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังแล้วเขาอ้างบอกว่านี่เป็นหลักของพุทธแต่ผมฟังดูแล้วก็เข้าเค้าดีแต่เขาไปเรียนจากไหนผมไม่รู้เขาไม่ใช่ชาวพุทธเป็นชาวคริสเตียนแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธศาสนานี้อาจจะแทนด้วยรูปนิทานเหล่านี้ได้เนื้อหาพุทธศาสนานใชนว่าครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนี่ยออกไปเดินเล่นในป่า ขณะที่เขาเดินอย่างนั้นไปเจอหมีครับหมีควายที่ตัวโตท่านก็วิ่งจิวอวิ่งหนีเอาชีวิตแล้วไปจนมุมที่หน้าผาแห่งหนึง่งเมื่อไปจนมุมที่หน้าผาแหา่งหนึ่งนั้นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับยื่นออกไปริมผาไอหมีกาลังติดตามมาใกล้ๆ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 พระทะเลาปะปากงับลูกไม้บอกมันจริงๆอนันทา น, นมันจริงๆในชีวิตนี้ฟังออกไหมครับเข้าใจมุกของเรื่องไหมผมคงเล่าเขาเรียกวตลกแห้งเขาเลวยว่าเไม่มีใครหัวรอดเลยแต่ผมชอบเรื่องนี้มากมากครับคือถ้าเรามีประสบการณ์มากมเพราะว่าชีวิตมันโอ้โหน่าดูจริงๆนะครับ แต่ยังไงเสียมันก็มันจริงๆลองทบทวนในทางเรื่องนี้ดูนะครับบางทีก็อาจจะหัวล่อออกก็ได้เมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆ